หายท่านหายท่านเพื่อไป เ, พ, เพื่อขันห้ามวัดท่านให้ท่านก็แก่กรําข้านกับวได้หล้ายห้ท่านโดยความจําเป็นก็แก้รําข้านไม่ควา ม, มหมายอันเดียวกันกับวได้หญ่ร้ายในทรงให้ท่านเพื่อตอบแทนกับวได้หลายเพื่อหวังค้อนตอบแทน หายท่านโดยท่านพบไม่บุญไม่คุ่นแก่เห่านั่นก็ได้บุญหลายเติบหน่อยขันเห่าว่าหายไม่มีผู้ห้ต้องหายท่านอันก็ไม่ได้อันนี้สงลายหายท่านเพื่อได้มนุษย์สมบัติอันกันไม่อันนี้สงอยู่หายท่านเพื่อได้สวรรค์สมบัติอันก็ไม่สงอันนี้สงอยู่ กลัวมนุษย์ไปให้ท่านเพื่ออะไอยากได้พุ่มสมบัติคำนี้อันนี้สงสัยอีกห้ท่านเพื่อลูกแจ้งแฉ่งตลอดต้องพ้นในผ้านอันนั้นอันนี้สงสายขโมูยของหน่อยก็ได้หลายอันนั้นคำนันผู้รับบริสุทธ์กับผู้ห้ท่ามบริสุทกิดแห้งได้ร้ายอันนั้นรักษาเาสียนภาล่าเชื่อกันมาแตงหาวใจอันนั้นเ น, นี่ยอันเดียวกัน โรคการที่ปไตยเห็นเขาเห็ดกัเห็ดน้งเขาอัตราที่ปไตยก็าเห็นจนเป็นไงกับ่ได้รลายท่าบุญโรคกาที่ปไตยเห็นเขาทำกับทำไปทำเขาความมาทำญาติเขาตีเตียงอันนั้นก็บ่ได้บุญรลายถ้ามาที่ปไตยทำตามทำถ้ามนในกระตาห้ย่านักฆ่าเส้นเท้าหน้าวังเพื่อผลทุกในวัฏสงสาร่ามาเกิดแก่เก็ตายหน้าเลยอันนั้นในบุญร้ายขโมนแมนเช้ท่านพูุ้้ยชนคนหนาเมนเช้ท่านผู้บวศีลกันยังในบุญห้ายอยู่ในบุญรายควาเจตนามันถึงโลกุตระ ให้ท่านคล้องดิบคำว่าได้บุญหลายให้ท่านแกพ้พายุทรงให้ท่านในจีวอนบินธบาตเหน้าคณะทิวที่อาศัยเหน้าคณะที่ิ่ที่อาศัยใ น, น, ยยนมิ อ, อันนิสงหมากกว่าโซแนวพืนึงให้ท่านกุติหรือซาลา พูดเรื่องหายท่านเขาท่านน้ำปละข้าวทอๆกันนี่สิสู่ผู้ให้ท่านกุฏิสลาบ่ะไรเปิดมาสิเพราะอมิตรท่านเนี่สู่หายท่านเสนาสนะบ่อะไรอมิตรทานหายท่านเขาท่านน้ำเรียกว่าหาท่านกําลังใหายท่านผ่าพรต่านสบายนะเดี๋ยวว่าท่านหายวันละเป็นท่านกอะไรหายท่านดูยาอะไรเขาเรียกว่าหายเพศสัดเป็นท่าน ถึงมันก็ไหนกระร้างซะมันก็นีก็เข้าวะไหแทักพันเถ้าบุคคลผู้เกิดม้านบุคคนจน ห, น, หนหาสมภพใดก็ะเพาะใดสมพ น, นีกระเพาะนสมภพใดกระเพาะดกระเพาะอากาศกระสากรอนขาดผลท่านพีลพ้นพ้นท่านมาบุคคลผู้มีอายุสั่งขาดผลศีลมีอายุยา่ากระช่างจะว่าห่างเป็นโลกดุรักษาศีลมาบริสุทธเถข้าคือรักษาศีลมาบริสุทิาา์เถอะสอ แค่าดนี่ก็คือกานขานกขานูา น, นในชาวบันมาบวชขาปูขาปลาครบหมดทีเดียวขาเป็ดขาไก่มดเลยสถานที่วันเป็นคนสี่โหลจะยุ่งยืนยังลงแบตชิปตัวนีน้ยืนไงไม่สมุนยากเม่ถึงแบตชิป นักษาสีหนึ่ง่กันรักาศีลตามธรรมาชิา่อปไต่บ้างเพื่อคนทุกขนะ์นะว่าเจ้างสารชี้เรียนสุขติงัยันติชีเรียนพภคสัมภทามุกคนควรจะเป็นเป็นสุปตายซุกไก่กระเพาะด้วยสีนสิปัสิจารโลกไพ่ใครเก็บกะเพราะศีลรัเวเบียดเบียนมากผมไม่สิืบริสุทธิ์ สเยสยะพ่อข้สมธาเสียไม่พกขาดสมบัติช่างภ า, ายนอกภ า, ายในก็บพระศีลเสีเยเลยที่พุทธิยันติสีไปถึงพระนิพพานก็บพราะศีลเป็นอุปาเสัยทีไปถึงพระนิพพานก็บพราะศีลก็เพราะท่านคือกั น, ก น, กนท่านอันนี้สองท่านอัญชโย อ, อนุกาเมโยนถ้าเกิดมาในพบะใดท่านใดก็ไม่มีใครจะประจไุได้ อชัยโยแปลว่าไม่ม no. ีผ ja mm ู hmm. <suprem> ้ใดประนได้อนุฆาไมโยหายะกรมมนิยสุเอตังอาตายัคขจติอสาธารนะมัญเญสังผู้มีธาตุไม่ศีลไม่ทวนาไ่เป็นของสาธารณะไปจะปัตนาพระบจเจกอะไรบัจเจกขโคเทพุตถุภูมิจปัตนะพุทธภูมิอะไรจะปตะอรหันตาชีาทกอะไรเกิดบ้านอะไรพวกานาครับสุวรรนาตาสุสารตาสุสันานั่งสุรูปตาอธิปจังริวาโลกะทั ไม่มีบร no so ิษ huh ัทบริวารไม่หุบสมอันว่าขีลายขีเดจนเกินไปเลย่าเงี่ยนวครับมช่วงผลมาตำผลมาอ่อนผลมาพี่เลยครับอาทีตประจำปฏิวัตโลกมีบริษัทบริวารเนี่ยบุคคลผู้หท่านเนี่ยเป็นคนขาดมูอขาดเพื่อนนี่ย ยังหาวัตถุสีอย่างทานะสาระให้ปันแกของของผู้อื่นแกคนที่ควรแกปันปิยวาจาวาจาที่อ่อนหวานอัตตจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แกผู้อื่นสีสมาณตาตาความเป็นผู้มีตนเสมอไม่ถือตัวคุณสี่อย่างนี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของท่านอื่นไว้ได้บอกโกงโตัวเอันนี้ ข้าพายุทาาา่าฆราวาพเขทิ้ออกไปแล้วขาต้องหากินไม่ขอบเขตถ้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพวกบวชข้าราชการก็คือตังน่าออกไปขั้นออกไปแล้วนะข้าไปประพฤติกินเหล่าซะไปเรียนโบกเลีนเบียซะไปเลีนรับายยามุซะไปเรยยปเรยนสาวซะมีเมียขึ้นกรดีไปเกเรซะไปหากินท้ามรสอบถ้ามกรดี พระสงทนานเข้ามาบวชกับประธานว่าสงทา่านขันเป็นยังสัน่นโบเห็นมันตางโบเห็นมันตางจากบวชมหาวิก า, า, ากรซะยังเสด็จยังพวกจะไปเปล่นผู้เปลี่ยนท้ายเนะเขาก็ดูถูได้วาพวกนี่ได้ประโยชน์ทุกคนไนดะพรามาบวชทั้งราเอดนี่ได้ประโยชน์ทุกคนเนผะัวหน้านป่านี่ก็บกินเหลาตเสมอเนี่ยซอไปมาที่เห็นน้องปูน้องปลาขายขกขบ่เห็วหน้านป่านี่ เศร้าแล้วน้าปานี้หอว่าไม่เสียหายบริบูนณ์นปานี้พ่อกลางว่าช่วยรักมันนี่ว่ากินหอดเหล่าไร้ขั้นรู้พ่อท่านละเอ็ดทัานเปี่ยวบวชมันก็เป็นธาตุจากผู้ไอเซียนเนี่ยแหละที่ได้ออกไปกขาบอกินเหล่าโยม่าโย่ากินเหล่าแล้ววาเนี่ยผู้ยอเซียนย่านได้แต่มาอ้าวท่านท่านท่านเป็นแบบ เป็นคนใจหยาดไม่อะหน้าเละผ่ามันหิวหงอประเด็นโบกกัโม่ที่มันหิวหงอหิวหงอแบเตะมันนะฮะเตะมันไป้มันมันหมอบร้องขาขวบหมอบเอวๆวะฉันหมอบร้องมึงยังพูดที่พวมาข้ามันาสั่นเอาวะดึงจ้าเธอตายเลยวะนั่งนอนได้หลักฐาองัวเงีย่างียบอยู่พวกนั่งเนี่ย ัอัมันเทส่ให้ถือล้วมันเทสทว่าถือมันียว่าถือของเทปคุณยิ่งเราตเก็ให้ถือคือดอกเหงื่อหูออกแล้วอี้เฮตาสักั้คือตานกชิวนกเขานี่มันบรยานี่ะเงูออกจากรงโบกโอ้ไรบักเสียงนนี่ยัติประชวนมาเลียนโบกนั่นมเีนยัติปชวนมาเลียนภยไ่อมันเก่งแค่ว่าแตเขาหล่อนประชวน เดี๋ยวนี้ใครเจเดี๋ยวนี้เศ้าแล้วอาสัอยากเิี่วห่วยหลงแล้ว่าสัตคู่แต่พกคู่นี่ไปอยู่หลายอยู่เลยพอกออกไปแล้วถ้วกคู่หมายาง่าบ้นบ้านเร้ากัได้เ่าแล้วเศ้าแล้หลเรียนพวกคู่มาบวเรื่อนี้มันก็พอหน่อยหน่อยเลยพวกคู่ทั้งหลายย็นเด็กคนหลายิออกไปแล้วไปเทศบาลมารอดไหมทัวร เขาดูดสูงยิ่าได้แล ย, งยงสงาราชีงสันธวาฉันนำอ่อยนำตาลนี่มือแรกนะถ้ากันหมู่ฉันเพื่อเพื่อบำบัดโรคเพื่อให้มันถ่องมันตายยาสูมุ้งสันว่าให้ต่างเขาต่างลำเป็นอบัตปัญจิติทุกครับืกินนะ ก็ ว, วกาใหาภารลบปวนพระว่าญ่าพาติกานะัเวทนานังปฏิฆาตายะอภัยประชักปรมัตาญาติแล้วให้ภัยญาติกำลบไม่ใช่นอนว่ญยาพาธิกานั่งเวทนานัางปฏิฆาตายะปฏิฆาตายะเพื่อ ห, หายปัญหาเสีย ทัพโลกทั่าปวงให้มันบรรเทาออกมาสันเนาะ้อมหิวยัถว่าจิงแจหิวยว่าฉันแจหิวฉันดำห่อนอบู้าพ่อสมองันเข่าคือนกันั้นเข่าฉันเพื่อแจหิวเพราะบันเทาหิวเพื่อติดประพฤติเพื่อมาัดเ่ากัาสันแล้วมันหนึ่งครึ่งนึงมันรวงไปไหวถ้าได้มันมันรวมไปเื้อมันเอาเสื้เท่าไปกินน้า จเขามาดสามอันี้เจามือหรือยังเะะะขามัสามอันนี้เลยเสี้ยมือหรือเ่าเข้าไ้บเ้าหมืนี่หมืเี้มือแล้วแม่ก็ยางก็แปบเสี้ยมือแน่น่ะ มันซ้ำแบบมนเก่าเสียแล้วลองไปลองไปมันคืนลองไปลองไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่มันไปคิดปรุงพิจานรณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคดราแล้วอาการจิรยญาณใดนๆของสมณะเราต้องทําอาการจริยานั้นๆมันไปคิดสองมันไปคิดคนพิจารณาเนืองว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยฝืนเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย สามบัญชิตศพึงพิจารณาเนืองว่าอาการกายวาจายอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้สี่บัญพิเศษพิจารณาเนืองว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่ห้าบัญพิเศษพิจารณางเนืองว่าผู้ลูกใคร้ควรแล้วตีเตียนเราได้โดยสินห ร, หรือไม่ หกบันพิจารนาบันทิดถึงพิจารงานงเนีองว่าเราจะต้องพัดคาดจากของรับของทับไก่ดังนั้นเจ็ดบันทึกทุนพิจารณานเนีองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไป มันคล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทาอะไรอยู่แปดบันพระคิดพึงพิจารณาเมืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่เราเป็นยินดีในที่สงัดดิบ๊เนี่ยบัดนี้เรามเต่างจากันน้คปับจยของมชาติของรเรื่องชีวิตของเราในปุ อาการกายบาดเจนี่ยตัวของเรื่องเอ็นที่เตือนเราทีผู้เราใครควรจะที่เตือนเลาทีเราจะต้องพัฒนาจากของแล้วของเราเองนะฮะเจ็ดเรามีกรรของเป็นของของตัวเราทํำดีจับได้ดีเราทําช่วยจะได้ช่วแปดวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี่เราทํำอะไรอยู่เก้าเรายืนดีในที่สนัดหรือไม่สิบคุณไมเสียของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทําให้เราเป็นผู้เมกเกอร์เขินในเวลาเพื่อนบันประชิดถามในการภายหลัง ทำที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองสิบยาไม่ใช่พิจารณาทุกวันทุกวันพิจารณาเนืองๆอีกสางน่นหน้าตาคารณธรรมคือทำที่เพิ่งสิบหยาหนึ่งสิลักขากายวาจายัดย่อใ ห, เ ร, ใหเรียบร้อยสองเฮลิและอายตอบาปทุจริตสามอตปะสะดุ้งกลูอาศบาปทุจริต ห้าพระองค์สัจจะความเป็นคนได้เคยได้ยินได้ฟังมามากไล้จําทรงทำสิ่งศิลาวิทยามากหกจาระสัะดสิ้นข้อของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนก็มีนหน้าจงละวันีรนที่อาต่าวิทย์โอษปัสะดุงกว่าต่าวิทย์พระองค์สัจจะเป็นผู้เลยจําทรงชินในปาวิทยามาก กนญญาณามิตตาคนผู้มีเครื่อนอันนี้งามสจัตตาเป็นผู้วง่ายสงังเงากิงกรณีสุท ธ, ธกตาความขยันเอาใจใส่ในกิจธระของเพื่อนทุกสุสรมเนรธรรมกามตาความรักใคร่ในทางที่ชอบวิทยะเพียงเพระราชกังขื่อปกุดควดีแปยชั้นโดยดินดีและฟ้านุ่งผ้าหม่มอาหารที่นอนที่นั่งระยะตามมีทําได้เก้เาสติจําการที่ทําและคำที่พูดแล้วไม่อานานได้ สิปัญญารับรูกในกองสนาคารจำเป็นจริงอย่างไรกองธนาคาทําเป็นจริงก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีหรือว่าหน้าทะคารธรทำคือทำเที่ยงเพื่อนของตนเชิดหยากระถาวัตถุคือถ้าคําที่ควรพูดเชิดหยาเนื้ออภิษชาคถาถ้ า, ถาคํำที่ชักนําให้มีความพัฒนาน้อยสองสันตุทิศคาถาถ้าคําที่ชักนาให้สันโดษยินดีรัปัจจัยตามมีตามได้สามต้อยเรขาคาถาถ้าคําที่ชักนําให้สังัดกายสังกัดใจ สี่อสังสักกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ละคนด้วยหมู่จนเกินไปจนไม่รู้จักวิเวกภาวนาห้าวิทยาลัพพกถาถ้อยคําที่ชักนำให้ตาลกความเพียรหกสีละกะถาถ้อยคาที่จักนาให้ตั้งอยู่ในศีลเจ็ดสมาธิกะถาถ้อยคาที่ชักนำให้ทําใจให้สงบแปดปัญญากะถาถ้อยคาที่จะกําให้เกิดปัญญาเก้าวิมุตติกะถาถ้อยคำที่ชักนำให้ที่จักนาให้พ้นทำใจให้พ้นจากกิเลสเั็งชั้นไปสิเวมุตติานัศสารกถา ถ้าคำที่จะนำาให้เกิดความรู้ความเห็นในความติ้ใจคนจากเกเรตอนนัสติสิบคืออารมณ์คนระลึกสิบประการหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงคนของพระพุทธเจ้ า, า, ธาธรรมานุสติแล้วถึงคนของพงระธรรมสังขานุสติรแลึกถึงคนของพระรยสง์ศีลานุสติแล้วถึงสี่งของตนจ้าคานุสติระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้วเทวตานุสติแล้วถึงคนที่ทำบุตรคนนี้เป็นเทวนาเช่นเมดามันดาและครูบาอาจารย์เป็นต้น กายานุสติและลึกถึงกายให้เห็นงามว่าไม่งามน่าเกียดตะโกอาณาปานาสติและลึกถึงลมหายใจเข้าออกเมื่อนั้นลนึกถึงความตายจะมาถึงตนกากายคตาสติและลึกถึงในกายว่าเป็นของไม่งามน่าเกียดตะโกอาณาปานาสติกําหนดลมหายใจเข้าออกอุปสมานุสติและลึกถึงคุณของพระเทพรานซึ่งเป็นที่ระงับสังขารขีเดเล็กและกองทุกข์ กรรมฐานที่ควรจเจริญเป็นนิดหนึ่งพุทธาวุสติแล้วถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มเป็นพระองค์และทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นสองแผลเมตตาแผลเมติกิจิจารณาสัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทัหน้าสามอุชชาพิจารณาร่างกายตัวนักผู้อื่นให้เป็นไมิงามสี่บรรลัตสติแลึกถึงความตายจะมาถึงตนกรรมฐานสีอย่างนี้ควรจเจริญเป็นนิดพอละนะังานพระมันจึงอัดยากบอกาะสว่ายมืองานยาดอเน เรียกว่ า, าราคากรรมฐาน4ส